ถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมาหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายมีอายุแปดสิบปีเก้าสิบปีหรือร้อยปีนับแต่เกิดมาผู้แกนะ่ผู้เท่ า, านะสี่โครงคดหลังงอถือไม้เท้างกเงินเดินกระสับกระสายล่วงวัยหนุ่มสาวฟันหักผมหงอกหนังย่นสีสะลานเหี่ยวตัวตกกระในหมู่มนุษย์หรือเคยเห็นผู้เท่าไหมพกกันอันผู้เท่าเขาก็เป็นเทวทูต ผู้เท่านั้นเขาเป็นเทวทูตเขาเป็นทูตเตือนว่ายังไงสัตว์ผู้แก่เท่าชื่อว่าย่อมกล่าวอย่างนี้โดยเนื้อความนี้ว่านะอาการที่เขาเท่าชาราเนี่ยเขาก็เตือนเราโดยตัวโดยตัวของเขาเองนะว่าพวกท่านจงดูแม้เราก็เคยเป็นหนุ่มสมบูรณ์ด้วยกำลังขากำลังแขนและว่องไวเหมือนท่านสมัยก่อนเข้าพเจ้าก็เหมือนท่านนั่นแหละ ความถึงพร้อมด้วยกำลังและความว่องไวของเราของเรานั้นหมดไปเสียแล้วแม้มือและเท้าของเราก็มีอยู่ทำกิจ ด, ด้วยมือและเท้าก็ไม่ได้มีมือก็เมืนไม่มีนะเรานี่ชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเพราะไม่พ้นไปจากชราไม่ใช่แต่เราเท่านั้นแม้ท่านทั้งหลายก็ไม่พ้นไปจากชราความชราเนี่ยจักมาแก่ท่านทั้งหลายเหมือนเราเมื่อก่อนเราก็เป็นหนุ่มสาวเหมือนท่านนั่นแล แต่ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวท่านก็จะเป็นเหมือนเราเหมกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำความดีไว้ก่อนแต่ชารลานั้นจะมาถึงก่อนด้วยประการชนนี้เหตุนั้นสัตว์แก่เท่านั้นจึงเชื่อว่าเป็นเทวทูตเขาเตือนเราเขาก็ไม่ได้ ว, ว่าอะไรเรารอกเพียงแต่เตือนเราว่าอย่าประมาทนะก็มีโยมรู้จักอยคนหนึ่งอายุประมาณเก้าสิบพอประมาณเก้าสิบไปแล้วเนี่ย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 ผมก็เปลี่ยนไปผิวหนังก็เปลี่ยนไปซ้ายตาก็เปลี่ยนไปหูก็เปลี่ยนไปทางคำใช้คำว่าอินทรีย์เนี่ยถึงความชราว่างนันอินทรียารูปนภาษาทรูปจะขู่ภาษาท่าก็เสื่อมไปโสตตาภาษาทะาคานะปภาษาทา่ชิวหาภาษาท่ากายปภาษาทะก็เสื่อมไปเมื่อภาษาทรูปเสื่อมไปจิตนะซึ่งอาศัยวัตถุรูปซึ่งเก่าค้ำค้ามันก็ ไม่ค่อยมีคุณภาพเขาบอกว่าจิตจิตนี้เป็นนามธรรมแต่ถ้าหากว่ารูปไม่ดีนกะจิตก็ไม่ผ่องายด้วยนะก็เหมือนกับแสงแห่งไฟแสงแห่งปฏิทตะเกียงก็เป็นตะเกียงที่ซ่อมซ้อน้ํามันก็สกปรกเลอะเทอะไส้ก็เป็นไส้ที่ไม่สะอาดเวลาจุดแล้วก็ความสว่างนั้นก็ไม่สว่างดีชั้นได ร่างกายของสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าประสาทรูปแต่ละอย่างสูญเสียไปนะสภาพจิตหรือมโนวิญญาณก็ไม่ค่อยมีความฉลาดอั น, นความหลงความลืมเป็นต้นก็ก็ชักจะหมดไปด้วยเพราะฉะนั้นพญายมก็เลยถามว่าเห็นหรือเปล่าสัตว์นั้นก็ทูลว่าเห็นเจ้าค่าพญายมถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจําเริญ ท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความดำริมีความคิดอย่างนี้ไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ควรที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นก็ทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าว่างั้นไม่ได้คิดเลยว่างั้นมียญามียายแก่ๆเหมือนกันแต่ก็มไม่เคยคิดอย่างนี้เลยอย่างไงนะ ของเราอย่าไปคืออย่าให้มันไปสายขนาดนั้นเลยนะไปเจอพญายมแล้วพึงนึกคําตอบนี้ได้อย่าไปถึงขนาดนั้นเลยรีบคิดเอาไว้ตัง้งแต่วันนี้เถอะนะพญายมกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียเหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วนะท่านประมาทขนาดไหนเขาก็จะลงโทษตามสมควรแก่การกระทำของท่านนั่นแหละ ก็บา ป, ปรกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่บิดาทําให้ไม่ใช่พี่น้องชายไม่ใช่พี่น้องหญิงไม่ใช่มิตรอมาตยติสาโลหิตไม่ใช่สมณะพราหมณ์ทําให้ท่านแล้วก็เทวดาก็ไม่ได้มาทําให้ด้วยเนะอะไปโทษเทวดาไม่ได้อันบาปทั้งหมดท่านนั่นแหลตัวท่านทําเองเข้าไว้เพราะฉะนั้นท่านจักเสวยวิบากแห่งกรรมนัน้นเทวทูตที่สองเนี่ย วันนี้โยมโยามอาจารย์เกตสุดาเล่าให้ฟังไม่ไม่ไม่แนวนี้เลยอ่ะ <c oughs> คนละอย่างเนาะนั่นแหละบอกว่าความคิดแบบโลกๆอย่างหนึ่งความคิดแบบทางธรรมก็อย่างหนึ่งนะเอาเอาไว้เผื่อทั้งสองทางเลยเนาะนะประโยชน์โลกนี้ก็ไม่เสียประโยชน์โลกหน้าก็ไม่ไม่หายนะแล้วก็ไม่ประมาทประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพานด้วยเนาะดูการพ่สูจนทั้งหลายพยาโยมนั้นครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจ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 แม้มือและเท้าของเรามีอยู่ทำกิจด้วยมือและเท้าไม่ได้นะเราเป็นเช่นนี้เพราะไม่พ้นจากพยาธิคือความเจ็บไข้ น, นะทางพระนี่ก็บอกว่าโรคประมาณ96โรคกันนะโรคใหญ่ใเนี่ยโหมากมายไม่ใช่แต่เราเท่านั้นแม้ท่านทั้งหลายก็ไม่พ้นจากพยาธิพยาธิจักมาถึงทแม้แก่ท่านทั้งหลายเหมือนเราท่านจงดูว่าไงท่านจงทำความดีไว้ก่อน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 ไม่รู้จะไปสวดคาถาบทไหนก็ไม่รู้พูดไม่ออกแนะ่ใช่ไหมเพราะถ้าหากว่าเขาไม่มีจิตใจฝักฝ่ด้านนี้ไว้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าพระจะไปเตือนสติได้อย่างไรอย่างในน้อยที่สุดให้เขาสมาทานศีลบางคนไม่เห็นคุณค่าของศีลอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว่ไม่รู้จะไปให้เขาสมาทานได้อย่างไรเพราะว่ น, น้าสลดสังเวชใจแล้วก็คนที่เป็นลักษณะนี้ก็ไม่ใช่คนสองคนด้วยเนาะแทบทั่วโลกเลยเป็นลักษณะนั้น เป็นเป็นคนที่เรียกว่ากำพร้าทางจิตใจอ่ะนะจิตใจนั้นหาความสงบร่มเย็นหาที่พึ่งไม่ได้มันเรีเงว่างอ๋อยยังไงบอกไม่ถูกอ่ะเนาะว้าเวยังไงก็ไม่รู้อันความคิดที่ที่ไม่มีเกาะไม่มีที่พึ่งความคิดที่ไม่เป็นไปกับกุศลจะเป็นความคิดในลักษณะนั้นแหละหาความสุขค่อนข้างยากมันแบบโทมนัสลึกๆอ่ะนะอันโทสะนี่มีหลายระดับนะอ่าโทสะ ที่เกิดในระดับเงาวพวกเนี้นะส่วนใหญ่ถามว่าพอใจในสภาพแบบนั้นไหมอ่าถ้าไม่พอใจในสภาพแบบนั้นอันนั้นก็เป็นลักษณะของโทสะอย่างหนึ่งเหมือนกันเงาหงอยเหมือนกับคิดถึงใครสักคนแล้วไม่ได้เจอเลยอะไรเงี้ยนะเครียดอะไรเงี้ยฉะนั้นกิเลสผู้เภศนั้นเป็นสายโทสะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษควรเจริญไหมไม่ควรเจริญนักษาทุ ต่อไปอย่าไปปล่ยความคิดแบบนั้นให้มันเกิดเนะถ้าเราศึกษาพระธรรมเข้าใจจริงๆนะเราจะไม่มีเวลาว่างเลยไม่มีเวลาเหงาด้วยรู้สึกว่าเวลายี่บสี่ชั่วโมงมันจะน้อยไปนะทิศจันทังคารพูดผู้หัสศุขสาวทิศโอ้วนวนมันเร็วจังกันไม่รู้นะใหม่ๆแรกๆเลยเวลานี่มันช้าตอนหลังเวลานี่มันเร็วแล้วเพิ่พิ่มเพจะทําไปนั่นอ้าวเวลานี้เข้ามาใหม่แล้วสลับ ยี่ชั่วโมงเนี่ยดูจะน้อยไปเหมือนกันนั่นแหละแต่ทํามากอันนั้นก็แย่เหมือนกันนันเวลานั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลานั้นถ้าหากว่าเราเจริญกุศลอยู่นะเวลานี่จะเร็วมากแต่ถ้าเราทําอกุศลอยู่นะเวลามันจะช้าจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่เห็นผู้ที่เจ็บไข้แล้วก็สามารถที่จะพิจารณาได้แต่ว่าผู้ที่ประมาทเห็นคนเจ็บไข้ก็ไม่ได้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 ทำให้ท่านตัวท่านเองทำเข้าไว้เพราะฉะนั้นท่านนั้นจกักเสวยวิบาบแห่กรรมนั้นนะบุญบาปเนี่ยไม่มีใครทำแทนใครได้เนาะถ้าทำบุญบาปแทนกันได้นะแทนทานข้าวเผือกันได้แล้วแบบนี้นะแต่ว่าบุญบาปเนี่ยทำแทนกันไม่ได้ถ้าหากว่าผู้ที่เจริญพุทธคุณมากๆถ้าหากว่าบุญบาปเป็นสิ่งที่ทำแทนกันได้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 บุญอยู่ที่ไหนใจนะบางคนเนี่เข้าใจผิดพลาดนะโอ้โหถ้าเสียสตังเยอะก็บุญมากด้วยเข้าใจผิดอีกนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ซื้อหาได้อ่าไม่ใช่ว่าแลกด้วยอัพยาการตะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับการซื้อการขายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์นั้นถึงของนั้นจะมีมากขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ได้ทําให้บุญมากอะไรแต่ว่าของน้อยก็ไม่ได้ทําให้บุญ ลดน้อยแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นบนุญจริงๆก็อยู่ที่สภาพของขอ ง, ของจิตซึ่งมีเจตสิกรประกอบเท่าไหร่คคอถ้าหากว่าไม่มีดวงใดที่เกิดพร้อมกันทั้ง38ดวงแต่ก็พูดแบบรวมๆ ว, ว่ามหากุศลนั้นน่ะมีเจตสิกรประกอบ38ดวงมันมีการยักย้ายถ่ายเทตามสมควรแต่ว่ากุศลดวงหนึ่งไม่เกิน316ดวงแต่หมายถึงในโสดาปฏิมักนะ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 อันส่วนทั่วไปนั้นที่เหลือก็จะเกิดแต่ถ้าหากว่ากุศล น, นั้นเป็นอุเบกขาปีติก็ไม่ไม่เกิดนะปีติก็ไม่เกิดนั่นแหละมันก็ค่อยๆหักไปตามนั้นไปแต่ถ้าพูดแบบรวมๆก็สามสิบแปดวงนะเรียนเรื่องเทวทูตก็อย่าลืมมรพิธรรมแลล่ะนะมีฉัยไปมาเอยมเป็นยังไงกันแน่นะถ้าหากว่าเราสงเคราะห์ทั้งพระพิธรรมทั้งพระสูตรลงมาไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็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 อย่าให้ศพมันเดินไปเดินมาเปล่าๆนั่งวันวัน